ตามแนวพุทธศาสนาเวลาได้ยินหัวข้อนี้เนี่ ย, เ, ยเราก็อาจจะนึกขึ้นมาว่าก็เป็นเรื่องของการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วใช่ไหมฮะจริยธรรมตามในพุทธศาสนาที่เราได้ยินได้ฟังมาจนคุ้นเคยก็คงมีไม่พ้นเรื่องนี้น ทำดีได้ดีทำช่วได้ช่วยนะแต่ที่จริงแล้วจะได้ทําในพุทธศาสนาหรือจะได้ทําแบบพุทธเนี่ยมีความหมายกว้างกว่านั้นนะมันหมายถึงแนวทางการดําเนินชีวิตทั้งหมดเลยนะเพราะว่าถ้าเราดูตามความหมายาจริยะเนี่ยจริยะนี่มันก็หมายถึงเรื่องของความประพฤติการปฏิบัติ มันไม่ใช่เป็นเรื่องของความดีความชั่วอย่างเดียวจริงอยูนะ่การที่เร า, เามีศีลไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกาไม่พูดปดนะไม่เศษสุรายาเมาสิ่งเศษติดที่เราเรียกว่าศีลห้าเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของจริยธรรม ถ้าขายรักษาไว้ได้ก็ถือว่าเป็นคนที่เป็นคนดีแต่ว่าจริยธรรมแบบพุทธเนี่ยมันมีความหมายมากกว่านั้นมันมีความหมายมากกว่าเรื่องของอความดีความชั่วเท่านั้นนะมันดูลงไปถึงการดำเนินชีวิตเพื่อให้เกิดความสุขเพื่อให้เกิดความสงบหรือเพื่อให้เกิดเป็นประโยชน์ด้วย ถ้าจะสรุปอย่างสั้นๆ น, นะจะได้ทำแบบพุทธเนี่ยก็สรุปอยู่ในคำา2คำนะนง่ายๆสั้นๆซึ่งเป็นคำของท่านอาจารย์พุทธทาสท่านอาจารย์พุทธทาส พ, พิขุนี่เราคงจะรู้จักกันนะคงจะจำกันได้ปีนี้ท่านก็จะมีอายุครบร้อยหรือหนึ่งศตวรรษ อาจารย์พุทธทาทบอกว่าชีวิตที่ดีคือชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์2องคำเนี่ยคือสงบเย็นและเป็นประโยชน์เนี่ยจว่าไปแล้วคือคือหัวใจที่สรุปเอาสาระหรือแก่นของจริยธรรมแบบพุทธเอาไว้แต่ว่ามันมันมันสรุปมันรวบยอดแก่นหรือสาระท่าของ เจริญธรรมแบบพุทอย่างไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวตัมมาก็จ ะ, ะค่อยๆ อ, อ, อธิบายแล้วก็ขยายความแต่ว่าตอนนี้เนี่ยใ ห, ให้เข้าใจเส ก, ก่อนว่าเจริยธรรมในความหมายของพุทธศาสนาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของความดีความชั่วอย่างเดียวมันไม่ใช่เรื่องของศีลธรรมอย่างเดียวตามที่เราเข้าใจนะมันรวมถึงการบริโภค มารวมถึงวิธีการใช้จ่ายทรัพย์มารวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างเรากับสิ่งแวดล้อมมันรวมถึงการที่เรารู้จักเท่าทันอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองไอ้พวกนี้เนี่ยมันมันมันมีความหมายมากกว่าเรื่องความดีความชั่วความดีความชั่นในเรื่องของเรากับผู้อื่นนะเรากับผู้อื่นเรากับสัตว์เรากับเพื่อนเรากับพ่อแม่นะแต่ว่า จะได้ทำในความหมายที่ที่ครอบคลุมเนี่ยมันรวมไปถึงเรากับสิ่งของเรากับอาหารเรากับเสื้อผ้าที่เราใช้หรือปัจจัย4แล้วก็เรากับจิตใจของเราเองตอนนี้ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องจริยธรรมแบบพุทธเนี่ยก็ต้องเข้าใจกันว่าจริยธรรมแบบพุทธนี่มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่มีใครมาบัญญัติขึ้นมา ไม่เหมือนศาสนาอื่นที่มีพระเจ้าที่เข้ามาบัญญัติว่าอันนี้คือข้อที่ควรปฏิบัติจะได้ทำแบบพูดมันมาจากไหนมันก็มาจากความจริงตามธรรมชาติมันมาจากกฎธรรมชาติมันมาจากความจริงที่เราสามารถประจักษ์ได้ตามธรรมชาติหรือผู้ง่าควรจะได้ทาแบบพู้เนี่ยมันมีพื้นฐานมาจาก โลกทัศน์หรือการมองโลกนะพุทธศาสนามองโลกอย่างไรพุทธศาสนาก็มองโลกแบบว่าเชื่อมโยงสัมพันธ์กันทุกอย่างในโลกมันเชื่อมโยงสัมพันธ์กันกระดาษกระดาษกระดาษแผ่นหนึ่งเนี่ยนะมันไม่ใช่หมายถึงแค่กระดาษแผ่นหนึ่งนะแต่มันเชื่อมโยง มันโยงมันสัมพันธ์ไปถึงไปทั่วทั้งโลกและจักรวาลคุณนึกออกไหมว่ามันสัมพันธ์กันยังไงกระดาษนี่มันมาจากไม้ใช่ไหมฮะมาจากต้นไม้ใช่ไหมฮะแล้วต้นไม้นี่มันเกิดขึ้นได้มันต้องมีอะไรบ้างมันต้องมีดินต้องมีน้ำเห็นไหมฮะน้ำจะมีได้ก็ต้องมีเมฆหนมมีป่าต้องมีภูเขาต้องมี อากาศออกซิเจนต้องมีดวงอาทิตย์เพราะดวงอาทิตย์เนี่ยมันทำให้เกิดความร้อนมันทำให้เกิดการสัองคลอสแสงทำให้ต้นไม้เนี่ยสามารถเจริญเติบโตได้มีต้นมีพระอาทิตย์ก็ทำให้มีเมฆมีฝนแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้ถ้ามันไม่มีคนใช่ฮะกระดานนี่มันต้องมีคนมาทำให้เกิดขึ้นนะ เช่นคนที่มาปลูกต้นไม้คนที่ตัดต้นไม้และคนเนี่ยชาวนาชาวไร่หรือว่าคนตัดไม้จะอยู่ได้ต้องมีชาวนาเพราะว่าชาวนาปลูกข้าวนะตัดต้นไม้แล้วมันต้องมีคนขนส่งคนขนส่งต้นไม้ต้องมีโรงเรื่อยต้องมีสังคม ต้องมีสังคมมันมีมัน ม, มีมีแต่ตัวคนมีแต่ตัวคนตัดไม้อย่งเดียวไม่ได้เห็นไหมฮะว่าต้นว่ากระดาษแผ่นหนึ่งเนี่ยมันเชื่อมโยงโลกและอาจจะจักรวาลมันเชื่อมโยงกับมนุษย์และสังคมมันเกิดขึ้นได้ ขต้องมีมแมลงมแมลงนี่มันทำให้ต้นไม้เกิดการสืบพันธุ์ทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตขึ้นมาได้นั้นกระดาษแผ่นหนึ่งเนี่ยนะบางคนเขาก็บอกว่าในในกระดาษแผ่นหนึ่งเนี่ยถ้าเรามองแบบพุทธนะกระดาษแผ่นหนึ่งถ้าเรามองแบบพุทเนี่ยเราจะเห็น เห็นทั้งโลกเห็นทั้งจั ก, กรวาลทุกอย่างเชื่อมโยงสัมพันธ์กันทุกอย่างเชื่อมโยงสัมพันธ์กันและความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันนั้นเนี่ยมันสามารถจะแสดงได้ด้วยกระดาษแผ่นเดียวหรืออาจจะแส ด, ดงได้ด้วยน้ำค้างเพียงหยดเดียวน้ำค้างเพียงหยดเดียวนี่มัน มันรวมเอามันเชื่อมโยงกับโลกทั้งโลกเอาไว้ในน้ำเพียงแค่จุดเดียวนี่คือนี่คือทัศนะนี่คือความจริงนะซึ่งมันหมายความว่าทุกอย่างในโลกนี้เนี่ยมันอยู่ในเครือข่ายแห่งความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันซึ่งถ้าจะสรุปกันอย่างง่ายๆนะเพื่อประโยชน์ในการ ในการเรียนวิชานี้นะมันก็จะมีองค์ประกอบอยู่3ตัวที่เราจะจะต้องเข้าใจก็คือ ชีวิตสังคมและธรรมชาติคือสรรพสิ่งในในโลกเนียถ้าจะสุบสั้นๆเพื่อเข้าใจง่ายเนี่ยมันก็จะประกอบด้วยสามส่วนคือชีวิตสังคมและธรรมชาติธรรมชาตินี่ก็ต้นไม้โลกภูเขาแผ่นดินเมฆดวงอาทิตย์ดวงจันทร์อันนี้เรารวมไปหมดนะ สังคมก็ผู้คนชาวนาชาวไร่พ่อค้าแม่ค้าผู้ปกครองชีวิตก็คือตัวเรานะทั้งหมดนี้เนี่ยมันเชื่อมโยงสัมพันธ์กันนะแล้วก็ในแต่ละส่วนแต่ละส่วนเนี่ยมันก็มีความสัมพันธ์ส่วนย่อยนะยกตัวอย่างเช่นสังคมเนี่ยมันก็มีเรื่องของ สังคมก็มีเรื่องเศรษฐกิจการเมืองวัฒนธรรมศาสนาก็สัมพันธ์กันนะสังคมนี่มันมีหลายส่วนอันนี้เป็นการแยกเป็นแยกไหมเห็นเป็นแค่แง่หนึ่งนะก็คือว่ามันมีหลายมิติ ที่มันสัมพันธ์กันธรรมชาติก็เหมือนกันนะช่เราจะบอกว่ามีป่าแม่น้ำภูเขาสัตว์นะธรรมชาติก็ประกอบไปด้วยยุทติยานะสอันเนี่ยจริงมันมีเยอะนะก็เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน ใช่ไหมอันนี้เราคงถ้าเรามีความรู้ทางด้านนิเวศวิทยเราค ง, คงจะรู้แนบว่าสัตว์ภูเขาแม่น้ำนี่มันต้องพึ่งพาอาศัยกันไม่มีภูเขาก็ไม่มีสัตว์ไม่มีสัตว์ก็การที่ภูเขามันจะดํารงคงได้มีความอุดมสมบูรณ์ก็ไม่ได้มันก็มีอาจจะเลยแต่แค่ภูเขาหัวโลนอันนี้ชีวิตหลักชื่นประกอบไปด้วยอะไรนะชีวิตนี่ก็ประกอบไปด้วยกาย ใจนะแล้วก็พฤติกรรมนะนี่มองแบบพทธนะชี้คนร้อนนี่มันก็จะมี3ส่วนนะซึ่งสัมพันธ์กันกายใจพฤติกรรมนะนี่คือนี่คือความจริงความจริงตามธรรมชาติ นะซึ่งเราคงจะประจักษ์หรือเห็นได้ไม่ยากคราวนี้เนี่ยในเมื่อทุกอย่างมันสัมพันธ์กันโดยเฉพาะชีวิตสังคมธรรมชาติเนี่ยนะมันไม่สามารถที่จะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งแยกออกมาจากโดดๆได้เพราะฉะนั้นจริยธรรม ของเราควรจะเป็นอย่างไรข้อที่เราควรประพฤติปฏิบัตินี้ควรจะเป็นอย่างไรนะอย่างหนึ่งก็คือว่ามันต้องเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันนี่คือจะได้ทำประกันแรกคือความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันนะมนุษย์เราเราแต่ละคนนะจะอยู่คนเดียวไม่ได้เราต้องเอื้อเฟื้อ เกื้อกูลต่อผู้อื่นที่เราเรียกวมๆวกันว่าสังคมเราต้องเอื้อเฟื้อเอื้อกูลต่อธรรมชาติเพราะถ้าเราไม่เอื้อเฟือ้อเราเอาเปรียบสังคมเราเอาเปรียบธรรมชาติเราก็อยู่ไม่ได้นี่คือจริยธรรมข้อแรกเลยคือความเอื้อเฟือ้อเอื้อเกืลกันไม่เบียดเบียดกัน การต่อมาคือว่าในเมื่อทั้ง2ทั้ง3 ส, ส่วนเนี่ยมันมันสัมพันธ์กันนะส่วนใดส่วนหนึ่งจะอยู่อย่างโดดๆไม่ได้สิ่งที่จะต้องทําให้เกิดขึ้นก็คือความบรรสานสอดคล้องความบรรสานสอดคล้องนะซึ่งมันต่างจาก ความคิดสมัยใหม่ความคิดสมัยใหม่บอกว่าทุกคนนะเราต้องได้เรื่องการเจริญเติบโตนะมนุษย์เราจะต้องสังคมเราต้องเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้มากๆมีเงินมีทองกันให้มากๆนะแต่มันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าคนคนหนึ่งเนี่ยโตเอาโตเอ า, เอานะมันก็ไปไปกระทบต่อความสัมพันธ์กับส่วนอื่น ในวัตจักรของสังคมและธรรมชาติ อ, อย่างเช่นเนี่ยถ้าสมมติเราเอาแต่เอาแต่บริโภคเอาแต่ทําการผลิตมันก็เกิดปัญหามลภาวะใช่ไหมเกิดมลภาวะ น, น้ําเน่าอากาศเสียธรรมชาติอยู่ไม่ได้เมื่อธรรมชาติอยู่ไม่ได้ในที่สุดคนเราก็เจ็บปวยล้มตายอย่างที่ตอนนี้กำลังเป็นห่วงกันเรื่องปรากฏการเรือนกระจกหรือปรากฏการมลภาวะที่เกิดขึ้น เพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยเราสนใจแต่ว่าฉันจะฉันจะฉันจะรวยอย่างเดียวฉันจะฉันจะบริโภคให้มากๆฉันไม่สนใจธรรมชาติฉันไม่สนใจสังคมฉันไม่สนใจสิ่งแวดล้อมมีป่าก็ทำลายปา่ า, ปามีสัตว์ก็จับมาให้หมดนะจนกระทั่งธรรมชาติเสียสมดุล ถ้าเราไม่คำนึงถึงความบันแสนสอดคล้องระหว่างชีวิตสังคมและธรรมชาติเนี่ยมันก็อยู่ไม่ได้นะนะนี่เป็นนี่เป็นจริธรรมในใ น, ในภาพกว้างนะก็คือว่าการความมีการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันระหว่างมนุษย์หรือเราแต่ละคนกับสังคมและธรรมชาติแล้วก็การพยายามทาให้มันมีความบันแสนสอดคล้องกัน อันนี้มองลงมาย่อยๆนะมองลงมาย่อยเนี่ยก็คือว่ามาที่ตัวเราแต่ละคนตัวเราแต่ละคนเนี่ยมันมีทั้งกายใจพฤติกรรมพฤติกรรมคือการกระทำนะกายใจและมีการกระทำไอ้สามตัวนี้เนี่ยมันสัมพันธ์กันนะมันสัมพันธ์กันมาก กายกับใจนี่มันสัมพันธ์กันนะถ้ากายเนี่ยเกิดป่วยขึ้นมาใจนี่ก็เศร้าเห็นไหมหรือว่าถ้าร่างกายเนี่ยมันเกิดหิวไม่มีอาหารจิตใจก็ห่อเหี่ยวในะทรนองเดียวกันถ้าใจเนี่ยมีความชื่นบานนะผิวพรรณก็ผ่องใส และทั้งหมดนี้เนี่ยกายกับใจมันเชื่อมโยงกันได้เพราะมันมีพฤติกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องนะมันมีการกระทําเช่นใจเนี่ยไปสั่งให้ออกกําลังกายไปให้ร่างกายออกกําลังกายเมื่อมีการออกกําลังกายมีการกินอาหารที่ถูกต้องร่างกายก็มีสุขภาพดีใ น, นขณะเดียวกันร่างกายเนี่ยก็สามารถที่จะทําให้ใจเนี่ย มีการพัฒนาได้ถ้ามีพฤติกรรมที่ถูกต้องเช่นนั่งสมาธินั่งสมาธิา น, าธนะไอการนั่งสมาธินี่ก็คือพฤติกรรมที่มีกาย เ, ยเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ไปมีผลต่ อ, ตอการฝึกฝนจิตให้เกิดความสงบนะตรงนี้เนี่ยมันมาโยงกับมันมาเกี่ยวข้องกับเจริญธรรมอย่างไรเจริญธรรมแบบพูดก็คือว่า เราจะต้องมีการเราต้องเกี่ยวข้องกับกายใจและพฤติกรรมอย่างถูกต้องจะต้องมีการฝึกฝนมีการพัฒนากายใจและพฤติกรรมคนเราจะ จะสนใจแต่กายโดยละเลยจิตใจไม่ได้แต่เดยนี้เป็นอย่างนี้กันทั้นทงนั้นนะเรานี่สนใจแต่เรื่องกายมากเรื่องจิตใจเราไม่ค่อยได้สนใจนะวันหนึ่งเนี่ยเราใช้เราให้เวลากับร่างกายนี่มากมายนะเราให้เวลากับการชำระร่างกาย วันนึงเนี่ยกี่ชั่วโมงวันหนึ่งอาจจะสามชั่วโมงก็ได้ชำระร่างกายนะฮะรวมตั้งแต่อาบน้ําถูฟันเข้าห้องน้ำํำทาหน้าทาตาเนี่ยแต่เรามีเวลาชำระจิตใจบ้างไหมเรามีเวลากําจัดของเสียออกไปจากร่างกายด้วยการถ่ายหนักถ่ายเบาเรามีเวลาสําหรับการขาจัดของเสียออกไปจากจิตใจของเราบ้างหรือเปล่า เรามีเวลาดูแลบำรุงเลี้ยงร่างกายของเราหาอาหารประดับประดาร่างกายนะด้วยเครื่องหอมด้วยเครื่องสำอางด้วยอาหารด้วยเสื้อผ้าจิตใจเรา ไ, ได้มีเวลามาหล่อเลี้ยงกล่อมเกล้าบ้างหรือเปล่าไอ้นะีเน่เรื่องนี้เนี่ยฟังดูง่า ย, ายแต่ว่าเรามักจะไม่ให้ความสําสคัญ จจะได้ทำแบบพทคือว่าเราต้องให้ความสำคัญกับเรื่องกายใจพฤติกรรมนะนั่นคือต้องมีการอบรมต้องมีการพัฒนาต้องมีการฝึกฝนนี่คือจะได้ทำแบบพุทธนะเราเรียกว่าหลักนะเราเรียกเออเราเรียกว่าหลักเออการพัฒนานี่เราเรียกว่าภระ า, าภาษพุทธเราเรียกว่าภาวนา ภาวนาภาวนาการฝึกอบฝม ก, ก็คือพัฒนานั่นเองนะต้องมีการพัฒนานะทางด้านกายทางด้านพฤติกรรมใจนะใจนี่ก็แบ่งออกเป็นจิตและปัญญา นนนะ ส, นนสิ่งที่เราจะต้องทําในฐานะที่เราเป็นชีวิตหนึ่งนะจำได้มั้ยครเรามีเราพูดถึงเราบีเราพูดถึงชีวิตสังคมและธรรมชาติในฐานะที่เราเป็นชีวิตหนึ่งเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องสิ่งที่เราพึงกระทําก็คือการพัฒนาเรื่องกายพฤติกรรมแล้วก็ใจนะใจเนี่ยซึ่งก็รวมแยกออกมาเป็น2คือจิตและปัญญา นี่คือหลักที่เราเรียกภาวนา4ีนะพุทธศาสนาจะมีหลักธรรมข้อหนึ่งเรียกภาวนา4ีก็คือการพัฒนาฝึกฝนอบรมกายพฤติกรรมจิตและปัญญานะพฤติภาวนากายพัฒนากายนี้พัฒนา ย, ยัางไรนะพัฒนากายนี้ไม่ได้ไหมายถึงว่าทำให้อ้วนเอาอ้วนเอานะไม่ใช่ เราไม่อยากเพิ่มน้ำหนักมากขึ้นเปล่าพัฒนาการคือการทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมันมีสุขภาพดีนะซึ่งหมายถึงการการกินอย่างการกินอย่างถูกต้องการกินอย่างพอเพียงนะและต้องมีการพระพุทธเจ้านี่บอกไว้เลยนะว่าคนเราเนี่ยนะต้องรู้จักทำความสบายแก่ตัวแต่ว่าท่านก็เตือนว่าอย่าสบายเกินไป เดี๋ยวนี้เราคิดว่าไอ้การไอ้เรื่องการพัฒนากายคือว่ากินเท้าไปเยอะๆแล้วก็นอนเข้าไปมากๆนะต้องมีสิ่งอํานวยความสะดวกเยอะๆจะได้ไม่ต้องเหนื่อยอันนี้อันตรายนะฮะทราบไมหมครับว่าเมืองไทยเวลานี้เรามีคนตายเพราะโรคที่เรียกว่าโรคขี้เกียจเนี่ยชั่วโมงละกี่คน โรคพิเกตเนี่ยต่มไม่ได้บัญญัตินะกระทรวงสาธารณสุขเขาบัญญัติเองบัญญัติมันเป็นมันเป็นโรคที่องค์การอนามัยโลกนี่เขาบัญญัติขึ้นมาเลยมีทุกวันนี้เนี่ยคนทั่วโลกนะตายเพราะโรคพิเกตเนี่ยนาทีละสี่คนนาทีละสี่คนในเมืองไทยเนี่ยตายเพราะโรคพิเกียตชั่วโมงละเก้าคนโรคพิเกียตนี่คือโรคอะไรฮะ โรคหัวใจโรคเบาหวานโรคความดันพวกนี้มันเป็นโรคขี้เกียจเพราะอะไรเพราะว่ามันเกิดจากเกิดจากคนที่ไม่ออกกำลังกาย อ, อยู่สบายไปไหนก็จะขึ้นจะจะจ ะ, จะเดินทางก็ใช้รถยนตนะ์จะไปซื้อของแค่ปากซอยก็เดินไม่เป็นละต้องนั่งรถ เด็กนี่ขึ้นบันไดขึ้นไม่เป็นนะต้องนั่งลิฟต์ต้องขึ้นลิฟต์นะเด็กนักเรียนเนี่ยพอมาถึงบ้านก็นั่งอยู่หน้าจอโทรทัศน์นั่งไม่พอหาอะไรมากินด้วยกินของจุติเนี่ยที่เขาเรียกว่าอาหารขยะเนี่ยเป็นต้นต่อของโรคอ้วนนะแล้วคนไทยเด็กไทยเป็นเยอะมันไม่ใช่เฉพาะเด็กไทยมันเป็นกันทั้งโลกเวลานี้ ไม่ทราบเป็นอย่างนี้กับบางกระเป๋าพวกเรานะเวลาดูหนังนะดูไปปากก็เคี้ยวไปนะกลับมาบ้านดูละคโรโทรทัศน์ก็ปากก็เคี้ยวไปนะไม่เคยได้ออกกําลังกายนะอย่างนี้แหละที่เราเรียกว่าโรคขี้เกียจแล้วทําให้คนตายเยอะมากนะเพราะฉะนั้นกระทรวงสาธารณสุขเขาก็เลยพยายามสับสูนให้คนไทยนี่ออกกําลังกายกันเพื่อจะได้ลดการตายจากโรคขี้เกียจ แต่น่าสนใจในเดือนนี้เนี่ยคนรวยเนี่ยตายเพราะลงนี้น้อยแต่คนจนตายเพราะลงนี้มากแปลกัหยโดยเฉพาะในประเทศอเมริกาเนี่ยบอกว่าคนที่เป็นโรคอ้วนเนี่ยมากเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเด็กที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะฐา น, นะเรียกว่ายากจนหรือว่าพอประมาณพวกงั้คือมาจากครอบครัวที่จนนั่นแหละเช่นในสลัมเช่นคนดำแต่ในอเมริกานะ แต่ว่าเด็กที่มาจากครอบครัวที่รวยเนี่ยจะเป็นโรคนี้น้อยเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยมันมีที่ออกกำลังกายโรงเรียนมีสนามฟุตบอลสนามเด็กเล่นแล้วก็ในหมู่บ้านเนี่ยก็มีสนามมีมีสนามสาธารณะมีสวนสาธารณะเอาไว้เล่นแต่คนที่อยู่ในย่านสลัมเนี่ยโรงเรียนก็ไม่ค่อยมีที่ให้เล่นนะก็ออกแต่นั่งเรียนบ้านเนี่ยก็ไม่มีสวนสาธารณะนะ บาน ม, มีสวนสารก็มาถึงบ้านก็ดูโทอรท์ตัสนะอาหารที่กินก็เป็นอาหารซึ่งมีไขมันสูงนะเพราะมันถูกเช่นพวกอาหารแบบอาหารที่อาหารขยะพวกนี้เนี่ยมันจะมีมันจะมีไขมันสูงนะน้ำตาลเยอะรวมทั้งอาหารแบบแฮมเบอร์เกอร์ด้วยเด็กในอเมริกานี่คนจนกินพวกนี้เยอะแม็กโดนัลเนี่ยคนรวยก็ไม่กินเพราะก็กินกันหรอกแต่เมืองไทยตรงกันข้ามนะฮะ คนที่มีเงินนึกว่ากินละเท้นะในอเมริกาหรือในในยุโรปเนี่ยบอกว่าคนจนเนี่ยเป็นโรคนี้เยอะโรคอ้วนคนรวยหรือเด็กที่มาจากครอบครัวที่รวยเนี่ยเป็นโรคนี้น้อยแล้วมันกลับกันนะอันนี้เราเรียกว่าการพัฒนากายเนี่ยมันมันไม่ถูกต้องนะพุทธศาสนาพูดตรงนี้ด้วยบางทีเราไปนู่นพุทธศาสนานี่สอนแต่เรื่องของการทําบุญนะการนั่งสมาธิจริงไม่ใช่พระเจ้าท่านสอนเลยว่าเนี่ย คนเะไต้องมีการพัฒนาทางกายผู้เจ้าบอกว่าวิธีที่จะทำให้มีชีวิตที่ยืนนานและมีสุขภาพดีคือว่ารู้จักทาความสบายให้แก่ตัวเองแต่แต่ให้รู้จักประมาณในความสบายด้วยอย่าสบายเกินไปนะเพราะนั้นเนี่ยคุณต้องหัดหัดนะหัดหัดออกกำลังกายบ้างนะหัดพึ่งมือพึ่งเท้าของตัวเองบ้างไม่ใช่ว่าใช้เครื่องจักเครื่องอยนต์ตลอดแม้กระทั่งถูไฟก็ต้องมี มีเครื่องถูฟันมาช่วยเดี๋ยวนี้ไม่ออกกำลังกายกันเลยเพราะนึกว่าชีวิตแบบนี้เป็นชีวิตที่สบายสบายจริงแต่อันตรายนะฮะในทางพุทธศาสนาเป็นเป็นชีวิตซึ่งมันไม่ใช่เป็นการพัฒนาทางกายที่ถูกต้องเพราะว่าเป็นชีวิตซึ่งบั่นทอนต่อสุขภาวะของร่างกายเพราะว่าเอาแต่สบายมากเกินไปจนไม่ไออกกำลังกายนี่เรื่องกายนะฮะพฤติกรรมล่ะนะเรื่องพฤติกรรม พฤติกรรมนี้ก็ส่วนหนึ่งอาตมา ก, ก็ได้พูดไปแล้วนะคือเรื่องของการบริโภคเราต้องรู้จักการบริโภคนะอย่าบริโภคตามตามตามตามปากตามลิ้นนะแต่ต้องบริโภคโดยคำนึงถึงความดูว่ามันมีประโยชน์หรือเปล่ามีประโยชน์ต่อตัวเรามมัน ม, มีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมหรือเปล่านะต้องรู้จักความพอเพียงนะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราบริโภคแล้วก็มาไปแก้ปัญหาแกอปัญหาแก่ตัวเอง หรือบริโภคแล ะ, ะบอกกว่าบริโภคไม่ถูกต้องเป็นนี้เป็นศินเพราะว่าไปกินเหล้าหรือไปเที่ยวเล่นมากเกินไปการเที่ยวการเล่นก็จะเป็นการบริโภคอย่างหนึ่งนะพฤติกรรมนี้รวมถึงการผลิตด้วยนะว่าคุณผลิตเนี่ยการผลิตหรือการทํามากินเนี่ยเป็นการผลิตหรือทรมากินที่ถูกต้องชอบทำไหมนะเช่น ไปปล้นไปไปไปปล้นไปขโมยเขาเียนี่ก็เป็นการทำหากินที่ไม่ถูกต้องหรือว่าไปทำหากินด้วยการผลิตอาวุธผลิตสารเคมีที่เป็นพิษอันนี้ก็ถือว่าผิดหลักจริยธรรมนะเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะรวมไปถึงว่า เราได้เอาเปรียบเปียดเบียนใครหรือเปล่าเรามีความเคารพคนที่ต่างจากเราไหมเขาต่างศาสนาต่างเชื้อชาติต่างภาษาเราลังเกียดดูแคลนเขาไหมเราเห็นเขาเป็นลาวเราเห็นเขาเป็นชาวเขาเห็นเขาเป็นพม่าเราก็เลยดูถูกเขานะนะอันนี้ก็ไม่ถูกต้องอันนี้เป็นพฤติกรรมในระดับความสัมพันธ์ละนะ จะมาพูดมา2 อ, อย่างนะคือเรื่องของกายเรื่องของพฤติกรรมนะเรื่องของจิตเนี่ยมันหมายถึงอะไรจะได้ทําหมายถึงว่าเราต้องรู้จักนะทำให้ใจของเรามีความสุขมีความเมตตามีความอดทนที่เรียกขันติมีความใจกว้างนะ เพราะสิ่งนี้มันทำให้จิตใจของเราเนี่ยเจริญให้เป็นสุขต้องรู้จักพอที่เขาเรียกว่าสันโดษนะสันโดษนี่มันมันสำคัญนะความรู้จักพอหรือที่เดี๋ยวนี้เราพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงชีวิตพอเพียงเนี่ยฟังดูมันน่าจะน่าจะง่ายนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราทำกันยากนะ เพราะว่าระบบบริโภคนิยมเนี่ยมันกระตุ้นให้เราไม่รู้จักพอตลอดเวลามีซ d ดีอยู่ร้อยแผ่นก็ยังอยากได้แผ่นใหม่อีกใช่หรือเปล่ามีเสื้ออยู่ส0 5สห้าตัวก็ยังอยากยังอยากได้อีกพอได้มาแล้วพอซื้อมาแล้วดีใจสักพักไม่นานก็เบื่ออยากได้ใหม่ นะอันนี้คือปัญหานะของสังคมปัจจุบันนะที่จริงอย่าว่าแต่ได้ของใหม่มาเลยอย่าจะว่าแต่ไปซื้อมาเลยแม้แต่ข้างมีคนมาคนมาให้เนี่ยคนมาใหนะ้สมมุติว่ามีคนมาให้ โทรศัพท์มือถือเราคนละเครื่องคนละเครื่องนะคณะสังคมเนี่ยมีบริษัทเนี่ยเขาจะมาทําโปรโมชั่นเอาโทรศัพท์มือถือมาให้เราคนละเครื่องครบเครื่องแต่ว่าคณะแพทย์คณะวิศวะเขาได้คนละสองเครื่องคุณรู้สึกยังไงเวลาเราไปเวลาเรา อยากได้โทรศัพท์มือถือเครื่องละหมื่นและเราก็อุตสาห์ไปหาซื้อยี่ห้อเดียวกันแต่มันได้ราคาถูกกว่าซื้อได้หกพันดีใจไหมไม่ดีใจเหรอ่ดิซื้อมาได้หกพันเนี่ยโอ้ยฮนะราคามันหมื่นหนึ่งเราซื้อมาได้หกพัน แต่พอเรากลับไปที่บ้านกว่าข้างบ้านนี่เขาได้เาซื้อมาได้ 4,000 บาทรู้สึกยังไงนะที่เคยดีใจนะยิ้มๆนี่มันหุบเลยใช่ไหมทำไมถึงทุกขนะ์ทำไมถึงเศร้านะทำไมถึงไม่พอใจ ทำไมถึงไม่พอใจในสิ่งที่เรามีนะไอ้ตรงนี้แหละคือปัญหาของความทุกข์ของคนในปัจจุบันนะคือความไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีเพราะว่าคอยไปมองว่าคนหนึ่งเขามีอะไรคนหนึ่งเขาซื้อได้ถูกกว่าเราคนหนึ่งเขาได้มีมากกว่าเราเนะขามีแฟนสวยกว่าเราเขามีแฟนหลอกกว่าเรานะ เป็นอย่านี้กันนะแม้กะทั่งเวลากินอาหารก็ยังรู้สึกว่าจานของคนอื่นทําไมมันจานที่เพื่อนสั่งได้บนันมันดูน่ากินแบบจานของเรานะีเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยมีความรู้จักพอนะอันเนี้ยไอ้สันโดษตรงนี้คือว่าคุณไม่ว่าให้เพให้คุณพอใจในสิ่งที่คุณมีนะและถ้าเรามีตรงนี้มากๆโดยการมองให้เป็นนะ๋ยวไปมองเปรียบเทียบกับคนอื่นมากเนะี่ยเราก็จะมีความสุข นี่คือเรื่องของการพัฒนาจิตนะที่จริงมันมีมากกว่า น, นั้ น, นการรู้จักให้อภัยก็สำคัญเพราะถ้าคุณไม่มีการให้อภัยแล้วเนี่ยคุณก็จะมีความโกรธอยู่เสมอและต้องมีสมาธิต้องมีสตินะเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยมีสมาธิกันนะ เราทำหลายอย่างในเวลาเดียวกันนะเราฟังบรรยายไปด้วยเราคุยไปด้วยก็มีหรือว่าฟังบรรยายไปด้วยก็กินไปด้วยก็มีนะหรือฟังไปด้วยบางคนก็ดูเหมือนนั่งฟังแต่จานนึกลอยไปไหนนะเพราะเราสึกว่าเออชิดนี้มันต้องเวลามันมีน้อยต้องทำหลายๆอย่างาพร้อมๆกันนะบางคนก็นะกินข้าวไปด้วยนะตาก็ ตาก็ดูโทรทัศน์ไปด้วยส่วนหูก็ฟังโทรศัพท์ไปด้วยนะไปคิดว่าเอ้ยนี่เป็นวิธีการบริหารเวลาที่ดีเพราะว่าทําอะไรหลายอย่างพร้อมๆกันนะแต่ไม่ใช่ในะวิธีนี้คือวิธีการทําให้จิตใจในขิขาดสติขาดสมาธิทําให้จิตใจในี่แย่เป็นเสี่ยงเสียงนะและเวลาจะให้มีสติอะไรสักอย่างให้มีสมาธิอะไรสักอย่างก็ทําไม่ไดนะ้นี่เป็นเรื่องการพัฒนาเรื่องการพัฒนาจิตนะให้มีสติให้มีสมาธิ ปัญญาล่ะนะปัญญานะกว่าปัญญาคือการรู้จักมองให้เป็นนะดูเป็นฟังเป็นคิดเป็นนะเดีนี้เราคิดไม่เป็นนะอย่างที่เราอย่างที่ามายกตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยนะเราซื้อของได้ถูกแต่เรามีความทุกข์อะ่ะเราได้ของฟรีมีคน ม, มาแจากโทรศัพท์ให้เราฟรีๆแต่เราทุกข์อะ่ะ พอเราเห็นคนอื่นเขามีมากกว่าเราคนอื่นเขาได้มากกว่าเราแล้วนะเป็นเงินเป็นเงินทั่วนะเอาพ่อผมไปแจกให้ชาวบ้านนะหน้าหนาวคนละผืนคนละผืนชาวบ้านที่รกก็ดีใจแต่พอรู้ว่าอีกบ้านหนึ่งเขาได้สองผืนนีเน่เสียใจขึ้นมาเลยมันไม่พอใจขึ้นมาทันทีนะในสํานักงานเนี่ยเวลารู้ว่าตัวอย่างนี้ได้ขึ้นโบนัสนะได้โบนัสหนึ่งเดือนสองเดือนเนี่ยดีใจ ตูดจีนได้โบนัสนะสองเดือนแต่พอรู้ว่าเพื่อนเขาได้สามเดือนนะไม่พอใจเลยนี่คือเรามองไม่เป็นนะคือเรามองแล้วเนี่ยเราคอยเปรียบเทียบตัวเรากับคนอื่นก็เลยทุกข์แต่ถ้าเรามองให้เป็นเนี่ยเราไม่ทุกขนะ์นะอาตมาเคยไปจจัดอบรมกา ร, รเผชิญความตายอย่างสงบ คุณคยดยินหัวข้อนี้ไหมเผชิญความตายอย่างสงบน่ยต้องเตรียมต้องจำํำต้องอให้จําเอาประโยคน์เนีไว้น ะ, ะเผชิญความตายอย่างสงบเพราะว่าสักวันหนึงในชีวิตคุณคุณ จ, จะต้องคิ ด, ค ด, คดถึงคํานี้นะไม่ช้าก็เร็วเพราะคุณเราต้องตายเาจมาไปอบรมรเผชิญความตา ย, ยสงบเนี่ยเสร็จแล้วก็ให ให้คนที่ไปอบรมเนี่ยไปรับการอบรมเนี่ยไปเยี่ยมผู้ป่วยผู้ป่วยหนักที่โรงพยาบาลที่หัดใหญ่ก็มีคนหนึ่งอไปไปเจอเด็กอายุสิบสีเด็กเด็กผู้หญิงอายุสนะผมนี่แกล่วงหมดเลยที่ล่วงนี่ไม่ใช่ล่วงเองนะแต่เพราะว่าโดนฉายแสงเด็กคนนี้เป็นมะเร็งที่สมองมะเร็งสมองอนะ ต่เด็กคนนี้เนี่ยดูยิ้มแย้มมากเลยยิ้มแย้มแจ่มใสอาสาสองที่ไปเยี่ยมก็คุยก็แปลกใจทําไมเด็กคนนี้เนี่ยยิ้มแย้มแจ่มใสถาไปทํามาเด็กก็บอกว่าเนี่ยเขาโชคดีนะที่เขาไม่ได้เป็นมะเร็งที่มดลูกเพราะว่ามีญาติเป็นมะเร็งมดลูกปวดมากเลยเด๋ยวคนนี้บอกว่าโชคดีที่เป็นแค่มะเร็งสมอง คือมองแบบนี้นี่มองแล้วไม่ทุกนะใช่ไ น, นี่เรียกว่ามีปัญญาคือการมองให้เป็นนะแต่ทีนี้เรามองกันไม่เป็นก็เลยทุกนะเพราะเราไปมองคนที่เขารวยกว่าเราเขามีมากกว่าเรานะมีโทรศัพท์มือถือไม่มีโทรศัพท์มือถือก็ทุกมีก็ทุกเพราะว่าโทรศัพท์ที่รวยมีมันมันมันถ่ายรูปไม่ได้ มีเพื่อนอาตมาคนก็บอ น, นี้ลูกสาวนี่เขไม่กล้าถือโทรศัพท์มือถือที่มันถ่ายรูปไม่ได้นะแล้วเขาสึกว่าด้อยทั้งที่เขามีอะไรต่างๆมากมายมีพ่อที่ดีมีแม่ที่ดีนะมีบ้านที่ดีมีหมาที่น่ารักมีสารพัดทั้งเยอะแยะแต่ไม่เคยมีความสุขเลยเพราะไปสนใจแต่อของที่ตัวเองไม่มีแค่ชิ้นเดียวนะคนร้อนนี่มีของเยอะแยะเลยนะ ที่มีแต่ว่าไม่ค่อยมีความไม่ค่อยมองไม่ค่อยชื่นชมมันแต่ไปสนใจแต่ของที่เรายังไม่มีหรือบางคนเนี่ยเงินหายไปร้อยนึงเนี่ยสองร้อยเนี่ยทุกแล้วทุกเป็นวันทุกเป็นคืนทั้งที่เราเองเนี่ยมีมีเป็นหมื่นเป็นแสนอยู่ที่บ้านมีอะไรต่ออะไรมากมายที่บ้านนะไอ้ของที่หายมันแค่กติ๋งเดียวนะแต่เรากลับทุกนี่เรียกว่าไม่มีปัญญานะ เพคือต้องต้องต้องมองให้มีปัญญานี้ด้วยคือมองให้เป็นนะมองให้เป็นก็จะเย็นได้นะคือมองแล้วเนี่ยสามารถที่จะแก้ทุกข์ของตัวเองได้นะมีคนหนึ่งเนี่ยนะเขาทำโทรสัพท์มือรือหายรู้สึกวันที่พูดเรื่องโทรศัพท์เยอะนะ แต่มันเป็นมันมันเป็นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะโทรศัพท์ราคาแพงด้วยเพิ่งซื้อมาหยกหยกก็ข้างบ้านเนี่ยมีหลวงพ่อองค์หนึ่งซึ่งเป็นเกจิอาจารย์นะเป็นเกจิอาจารย์นะก็เลยไปหาหลวงพ่อองค์นี้หวังว่าหลวงพ่อนี่จะนั่งทางไหนแล้วบอกได้ว่าของมันจะไปหาที่ไหนอนี้น น, นั่งทางไหนนี่มีจริงนะ แล้วก็มีคนไปหาพาของหายนี่มีเยอะก็ไปหาหลวงพ่อนะหลวงพ่อไม่ได้ถามแล้ว่าโทรศัพท์ยี่ห้ออะไรหายที่ไหนนะหลวงพ่อไม่ถามหลวงพ่อถามว่ามีทองไหมผู้ชายได้บอกมีหลวงพ่อบอกเอออีกไม่นานก็หายมีรถนะมมีเอออีกไม่นานก็หาย มีแฟนไหน้ะบอกมีบอกยีไม่นานก็หายเหมือนกันไอ้หนุ่มคนนั้นก็เลยเลยไม่อยู่ต่อละกลาวหลวงพ่อเลยที่กลาวนี่ไม่ใช่ว่ากลัวจะโดนแช่งมากกว่ น, นี้นะแต่เพราะเกิดปัญญาเห็นธรรมกันเออคนเรามันไม่ใช่หายแค่นี้นะต่อไปต้องหายเยอะอันนี้ยังโชคดีที่หายแค่เนี้โทรศัพท์มือถือต่อไปจะต้องหายเยอะ คือเข้าใจเขาเริ่มเข้าใจยอมรับความจริงของชีวิตว่ามันต้องมีการสูญเสียพัาดพลาดก็เลยทําใจได้ไอการที่เรายอมรับหรือตระหนักว่าความสูญเสียพลาดพลาดเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยและปล่อยวางได้ก็เรื่อง ม, มปีปัญญานะปล่อยวางได้เพราะเรารู้ว่าเราต้องสูญเสียอีกเยอะไอสูญเสียแค่นี้ยังถือว่าจิ๊บจอ ที่คนสมัยก่อนเขบอกอ น, นิจจาอ น, นิจจาอ น, นิจานนจาเวลาเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเขาบอกอ น, นิจจาก็คือนี่แหละคือเขาเขาตือนใจเพื่อให้ตระหน่าว่าความ พ, พักผ้าความสูญเสียเป็นธรรมดาของชีวิตนี่คือเรื่องของในทางภา ษ, ษาศาสตรนี่คือคือปัญญาปัญญาไม่ใช่เรียนเก่งท่องเก่งสอบได้คะแนนเก่งนะสอบได้คะแนนเยอะแต่ปัญญาคือการที่คุณรู้ความจริงของธรรมชาติว่ามันเป็นอย่างนี้มันมีได้มีมีได้ก็มีเสียใช่ไหมมีสารเสริญก็มีนินทา นะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าโลกนี้มันจะมีมันมันจะมีแต่สิ่งที่เราต้องการอย่างเดียวเคยมีคุณมีคุคมีคมาถามตมาไว้ทำยังไงดีนะเวลาคนตอบว่าเราเราถึงจะไม่ทุกข์อ่ะทำยังไงดีอะ่ะคุณเป็นอย่างนี้บ้างก็แบบเวลามีคนต่อว่าทำไมถึงจะไม่ทุกข์เคยถามตรงนี้ไหมมีคนมาถามตรงนี้กอ า, อาตมาอาตมาก็บอกว่า บอกง่ายๆว่าเวลาเขาชมคุณคุณก็อย่าดีใจเลยเพราะถ้าถ้าคุณดีใจเมื่อคนเขาสรรเสริญคุณนะเวลาเขาตอว่าคุณคุณก็ต้องทุกข์ใช่ไหมมันธรรมดายิ่งอยู่สูงยิ่งอยู่สูงมากเท่าไหร่เวลาตกลงมาก็เจ็บมากเท่านั้นถ้าคุณไม่อยากตกลงมาเจ็บก็อยากขึ้นอย่ากลอยเพราะถ้าคุณลอยแล้วตกมาก็เจ็บอยู่บนพื้นนี่แหละนะสรรเสริญก็เออก็รั่วเออ วันที่สารเสพ เ, เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ดินท า, เรา เ, ร า, เ, ราเราเตือนใจไว้ล่วงหน้าว่าไอ้พวกนี้มันเป็นโลกธรรมนะไม่แน่ไม่นองอันนี้ก็เรียกวัญญานะเพราะฉะนั้นเนี่ยในทาพุทธศาสนาเนี่ยหลั ก, ลกจริยธรรมอย่างแรกเลยที่คุณต้องใส่ใจก็คือว่าการรู้จักวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับตัวเองในเรื่องของกายพฤติกรรมจิตและปัญญา นะตามหลักภาวนาสีนะ่พฤติกรรมในที่นี้เนี่ยภาษาพัดเรียกว่าศีลศีลนะศีล น, นะนี่มันคือเรื่องพฤติกรรมศีลนะนี่มันไม่ใช่แค่ศีล5นะการที่คุณกินรู้จักพอในการกินรู้จักพอในการบริโภคก็เป็นเรื่องศีลนะอย่าไป น, นึกว่าศีลมันหมายถึงว่าการไม่ค้าสับไม่รักขมเมืองนั่นก็ศีลแต่ว่าการที่คุณบริโภคอย่างถูกต้องการที่คุณ รู้จักพออันนี้นเราเรียกว่าศีลหมุนกันนะกายศีลจิตปัญญานี่คือจริยธรรมต่อชีวิตของเราต่อตัวเราคราวนี้เราก็ต้องมีมนุษย์เราอย่างที่บอกไว้แล้วว่ามนุษย์เราเนี่ยเราเราอยู่ท่ามกลางสังคมและธรรมชาติเนี่ยเราก็ต้องมีจริยธรรมต่อสังคมและธรรมชาติด้วยนะ จะได้ทำอเนี่ยอาศัยพฤติกรรมนะเช่นการเอื้อเฟื้อเกือเก้ อ, ก, อ, ก, อกูลผู้อื่นนะการผู้าศาสนาในเรื่องทานคุณเคยคนไทยเนี่ยเราจะคุ้นกับคาว่าทานทานนี่ไม่ใช่ว่า ก, กินนะเดี๋ยวนี้เราบอกเอ้เ ย, ยนี้จะไปจะทานอะไรดีไม่ใช่ทานในที่นหมายถึงการให้นะจะได้ท ที่เราพึงมีต่อผู้อื่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเป็นธรรมชาติก็ตามเนี่ยข้อแรกคือการให้นะการให้เราให้เริ่มจากการให้สิ่งของนะมนุษย์เราเนี่ยสังคมเรามันอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีการให้นะที่จริงเนี่ยเราแต่ละคนโตขึ้นมาได้ทุกวันนี้ก็เพราะมีการให้ถ้าพ่อแม่นี้ไม่ไม่ให้เรานะเราก็อยู่ไม่ได้ ถ้าปู่ย่าตายายไม่ให้เราเราก็อยู่ไม่ได้พุทธศาสนา จ, จะเน้นข้อ น, นี้มากในชนบทเนี่ยเด็กจะถูกฝึกให้รู้จักการให้ทานตั้งแต่เล็กหมู่บ้านตามาเนี่ยเวลาไปบินธบาเนี่ยจะมีผู้หญิงมาใส่บาส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงนะเพราะคนในชนบทนี่เขาแบ่งเขาแบ่งหน้าที่กันเรื่องการเรื่องการใส่บาก็เป็นหน้าที่ของผู้หญิงก็จะมีเด็กตัวเล็กๆ เ, เนี่ยอายุสักหนึ่งขวบบางทีไม่ถึงขวบเนี่ยนะแม่ก็จะ หรือยายเนี่ยก็จะพามาใส่บาทด้วยเนี่ยคือบทเรียนข้อแรกที่เด็กเขาได้รับเด็กในชนบทนะคิดว่าสมัยก่อนด้วยและปัจจุบันนี้ก็ก็ก็เริ่มเจอเจอจ้างไปแต่ว่ายังมีอยู่ก็คือการให้ทานเพราะว่าชีวิตของเรามนี่มันอยู่ได้เพราะการให้ด้วยเราแต่ละคนเติบโตมาได้นี่เพราะว่าเราได้รับทานจากพ่อแม่จากปู่ย่าตายายจากครูบาอาจารย์จากคนที่เราไม่รู้จัก คนเราเนี่ยจะเอาอย่างเดียวไม่ได้เราต้องรู้จักให้และการให้ในเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเติบโตของเราคุณสังเกตต้นไม้หรือวะต้นไม้ทํามันยังเป็นต้นก้านนี่นะมันเอาอย่างเดียวเลยดูดน้ําอย่างเดียวดูดเอาดู ด, ด, ด, ด, ด, ด, ดปุ๋ยอย่างจาับจับดินอย่างเดียวเลยต้นก้านี่ไม่ให้เลยนะต้นก้านี่ไม่ให้อะไรเลยแก่แก่แกโลกแต่พอต้นไม้โตขึ้นน่ะนะ ต้นไม้จะให้ให้อะไรฮนะให้ปุ๋ยทิ้งใบทิ้งกิ่งลงมาเป็นปุ๋ยให้ผลไม้นะอาจจะให้ผักให้ใบสิงสารสัตว์มากินผลไม้ให้ร่มเงาให้ที่พักพิงแก่แสัตว์นานาชนิดไม่ว่าจะเป็นมแมลงนกหนูหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนานาชนิด นั่นหมายความว่าต้นไม้โตแล้วฮะคนเราเนี่ยก็เหมือนกันถ้าเอาอย่างเดียวเนี่ยแสดงว่ายังไม่โตนะต่อเมื่อเราเริ่มรู้จักให้นั่นแสดงว่าเราเริ่มโตแล้วฮะและเมื่อเราให้นะก็จะทำให้สังคมเนี่ยเป็นสุขอย่คนสมัยก่อนเนี่ยเาก็จะในเรื่องการให้มากไม่ได้คิดจะเอาอย่างเดียวอาจารย์พุทธทาสเนี่ยท่าน เคยเล่าว่าตอนเด็กๆนะแม่เนี่ยให้ให้ไปเฝ้านาแม่ก็จะบอกว่าจะให้คาถากันขโมยให้แก่ลูกไว้นะคาถากันขโมยอะคาถาที่มีสั้นๆนะนกกินเป็นบุญคนกินเป็นทานนกมากินก็เป็นบุญใครมากินก็เป็นทานไปนะทำนาเนี่ยถือเป็นการทำบุญไปด้วย ทำมานี่ทำนานนี่ไม่ได้เพื่อมีข้าวไว้กินอย่างเดียวนะแต่ทำนานนี่เพื่อทำบุญด้วยให้นกบ้างให้คนบ้างนะอันนี้คือคื อ, ค, อคือจะได้ทำเพื่อคือว่าเราไม่ได้คิดจะเอาอย่างเดียวเมื่อเราทำนานเราไม่ได้คิดจะหาข้าวมามามาใส่ท้องอย่างเดียวแต่เรายังคิดถึงจะช่วยเหลือผู้อื่นด้วยนะทานนะความเมตตาความกรุณา เป็นจริยธรรมพื้นฐานที่เราต้องมีต่อต่อมนุษย์ในสังคมและต่อธรรมชาตินะคราวนี้เนี่ยจริยธรรมเหล่านี้เนี่ยมันในที่สุดแล้วเนี่ยมันมันแสดงอาการออกมาอย่างไรนะ คือถ้าจะมองให้ที่จะมาพูดที่พูดแบบง่ายๆนะแต่ถ้าจะตีความขยายความนะให้มายในสังคมปัจจุบันเนี่ยมันหมายถึงว่าเราจะต้องช่วยทำให้เกิดความกลมกลืนสอดคล้องและความสงบสุขในสังคมนะ นอกจากการให้โดยส่วนตัวให้แก่มนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยากแล้วเนี่ยเราต้องช่วยทำให้สังคมเนี่ยมันเป็นสังคมที่มีสันติสุขมีความเป็นธรรมช่วยให้มีการกระจายรายได้อย่างเท่าเทียมกันไม่เอาเปรียบสังคม ไม่ส่งเสริมให้มีการเอารัดเอาเปรียบสังคมส่งเสริมให้มีการเคารพสิทธิทมนุษยชนนะให้มีการเคารพสิทธิทมนุษยชนโดยไม่เลือกชาติไม่เลือกภาษาไม่เลือกวัฒนธรรมนะซึ่งตอนนี้เนี่ยมันมีปัญหานะเพราะว่าคนเราเนี่ยยังมีความรู้สึกแบ่งเขาแบ่งเราโดยเอาเชื้อชาติศาสนาภาษาวัฒนธรรม มาเป็นตัวกีดกัน้นะบางทีมันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวอย่างตอนเกิดสีนามี่เนี่ยคนไทยก็แห่ไปช่วยคนที่ภาคใต้แต่ว่าคนที่เป็นพมา่าที่เขาเดือดร้อนเนี่ยเขาไม่ได้รับการเหลียวแลเลยนะแล้วเราก็ภูมิอกุญแจว่าคนไทยที่มีน้ําใจนะช่วยเหลือกันดีแต่ว่าถ้าเป็นถ้าคนที่ประสบ ภัยซึ่งมันมีเป็นพม่านี่เราเราไม่สนใจไม่ดูดำดูดีเลยนะอันนี้เราก็ไม่ค่อยเห็นนะแต่ว่าเราไม่ค่อยรู้หรอกแต่ว่าเพราะว่าเราเราเราลืมไปเราลืมคนเหล่านี้ไปในสังคมเนี่ยมันมีการกีดกันแบ่งชั้นวรรณะหรือว่ามีการเลือกปฏิบัติด้วยสาเหตุทางเชื้อชาติาศาสนาภาษาสีผิวมากมายนะ กาทําแบบพวคือการที่ทําให้ให้ให้ไอขีดขั้นการแบ่งชั้นเหล่านี้เนี่ยมันเจือจางไปเวลานี้เนี่ยหลายคนก็มีความรู้สึกนะกับคนที่เป็นอิสลามเป็นมุสลิมในภาคใตนะ้ความรู้สึกรังเกียจ มันไม่ได้รังเกียจแค่ผูก้ก่อความไม่สงบนะเวลานี้เราเราเราเหมาวรวมไปเลยว่า hey, พวกมุสลิมนี้นะเป็นอย่างนี้แหละคนะือไม่ได้แค่เหม า, หมาวรวมมุสลิมในสาหจักรชายแนพักต่างกันแต่เหมาวรวมมุสลิมทั้งหมดนะเรามีความคิดแบบนั้นบ้างหรือเปล่านะในทางพุทธศาสนาเนี่ยเรามองว่ามนุษย์เราทุกคนเนี่ยเป็น เป็นเพื่อนมนุษย์กันนะความเป็นมุสลิมความเป็นพุทธความเป็นไทยความเป็นพมา่าเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเพียงแค่สมมติเป็นแค่สมมติแต่โดยพึ้นถามแล้วเนี่ยเราเป็นมนุษย์เหมือนกันเรารักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกันนะเพราะั้นเนี่ยเราต้องมีความรักความเมตตาต่อกัน และชาวพุทธยังเชื่อเลยว่าจริงอยู่อาจจะมีคนที่แม้กระทั่งศัตรูที่เขาปองร้ายกับกที่เขาปองร้ายเราที่เขาไม่ปรารถนาดีกับเราเราก็ควรมีเมตตาเขาด้วยเราไม่ใช่มีเมตตาเฉพาะคนต่างเชื้อชาติต่างศาสนาต่างภาษาต่างวัฒนธรรมเท่านั้นแม้กระทั่งผู้ที่เป็นศัตรูกับเราผู้ที่ปรารถนาผู้ที่คิดร้ายต่อเราเราก็ควรมีเมตตาด้วย นี่คือนี่นี่คื อ, น, คอนี่คือหลักของพุทธศาสนาเลยนะเมตตานี่เราไม่ได้มีเราไม่ไม่ใช่เมตตาเฉพาะคนที่เป็นพ่อเป็นแม่คนที่มีบุญบุญต่บเราเท่านั้นแม้กระทั่งคนที่ทําร้ายเราหรือหรือคิดรายต่อเราก็มีเมตตาให้และที่ไม่นานาใจคือว่าไอ้เมตตาของเราเนี่ยบางทีเนี่ยมันไม่ใช่บางทีบ่อยครั้งเนี่ยมันสามารถที่จะไปเปลี่ยนจิตใจของอีกฝ่ายหนึ่งได้อันนี้เป็นธรรมชาติของมนุษย์นะ ว่คุณรู้จักสเฟนสปิลเบิร์กไหสเฟนสปลเบิร์กรู้จักหรือเปล่าไม่รู้จักเลยเหรอสเฟนสปลเบิร์กนี่ก็เป็นนักทาหนังเป็นพ่อมดอนะูนะหนังเรื่อง E ทหนังเรื่องจอหนังเรื่องหนังเรื่องสารพัดมิิก็กลังจะเข้ามาฉายแต่าเาชอเเดเรื่องการทาหนังเด็กสเฟนสปลเบิร์กก็บอกว่าตอนที่เขาอายุเนี่ย นะชีวิตเขาเหมือนกับนรกเลยเพราะว่าที่โรงเรียนเขาเนี่ยมันมีอันถานมันมีเด็กเกเรคนอายุสิ 25, ตัวใหญ่ขเขาด้วยชอบแกล้งเขาทำร้ายเขาเอาไข่เน่ามาปาใส่หัวเขานะเขาไม่รู้จะทำยังไงส่แล้ววันหนึ่งเขาก็ได้ความคิดขึ้นมาสเฟานเนี่ยเขาชอบทำหนังนตั้งแต่เ ล, ล็กแล้วถ่ายวิดีโอ เก็เลยไปหาเด็กอันตพังคนนี้บอกว่านี่ฉันก็จะถ่ายหนังนะเรื่องตามล่านาซีขาวพระเอกอยากเป็นพระเอกไหมไอ้หมอนั่นก็สงสัยมันจะมาไหมไหนนะแต่ว่าในสุด ก, ก็ยอมนะวันรุ่งขึ้ก็มาศิลปินก็เลยให้แต่งชุดนะชุดทหารมีเป้มีหมวกมีปืนนะตามล่านาซีปรากฏว่าหลังจาก หลังจากทายทําเสร็จปรากฏว่า2คนที่เป็นเพื่อนกันเลยเป็นเพื่อนสนิทกันเลยเขาซีเฟนสามารถที่จะเอาชนะอันตพัพานคนนี้ได้ไม่ใช่ด้ว ย, ด, วยด้วยการใช้ความโกรธความเกลียดแต่ด้วยการให้โอกาสด้วยความปรารถนาดีก็สามารถเปลี่ยนจเปลี่ยนใจ ม, มาได้เมื่อเร็วๆ น, นี้เนี่ยมีคนไทยคนนึ่งเข้าไลฟ์ฟังนะฮะ เป็นผู้หญิงไปเรียนที่เมืองนอกก็ไปเรียนแบบไปเรียนแบบได้ทุนได้ทุนเอ่อได้ทุนของทุนของตัวเองที่เก็บสะสมเอาไว้อะนะก็ไม่ได้ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากวันเสาร์ที่เพื่อ น, เ พ, อนเพื่อนก็ไปเที่ยวกันแต่ตัวนี้ก็ต้องอยู่ที่หมาหาวิทยาลัยเพราะว่าจะต้องทําอาหารเพื่อที่จะได้กินตลอดทั้งอาทิตย์นะเสาร์อาทิตยนะ์น่ยก็ ระหว่างที่เดินไปที่ระหว่างที่ข้ามถนนเนี่ยเพื่อที่จะไปร้านซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยไปซื้อไข่คือว่าแกทําไข่อย่างเดียวเลยจะไปซื้อไข่มาซักฟองหนึงนอ้ไอ้ักสโรหน่รากว่าถูกคนดำคนนงี่กลางถนนเลยนะกลางมันแสกๆคนนำมันบอกเอากระเป๋ามาพอกเขากระเป๋าก็เพราะว่าเจอแค่เงินยี่สิบดอลลาร์ เอาสอยมาเอานาฬิกามาไม่มีให้ไอ้นั่นก็ฉุนเลยนะได้แค่ยี่สิบล้านล่ะก็ะถามเฮ้ยคนเอเชียมันรวยไห่เหรอเขาก็บอกว่าเอเชียคนเหนือรวยแต่ว่าฉันไม่รวยหรอกนะคนนั้นก็ถามต่อแล้วยี่ิเหรียญนี่เอาไปทำอะไรบอกไปซื้อไข่เอาไข่ไปทําอะไรซื้อไข่ขนาดเหลอก็บอกว่าเอขาเอขา น, นขาดแหละเพราะว่า ไม่ไม่ค่อยมีกินนะคือแกทำไข่พะโลกิกนกันเป็นอาทิตย์อะ่ะทำนองนั้นะ่ะยี่สิบเหรียญระหว่างที่คุยกันอยู่นั่นะ่ะระหว่างที่ซักกันอยู่นั่นอะ่ะยามยามนำเอาเทาไรเห็นผิดสังเกตก็ทำท่าโทรศัพท์ผู้หญิงคนนั้นพอเห็นยามก็เลยโบกมือบอกไม่ต้องไม่ต้องบอกว่าไม่ไม่มีอะไรเราเพื่อนกัน ยาเขาก็เลยวางหูแล้วเขาก็ไปสนใจคนอื่นแทนคนดังคนนั้นก็เลยสงสัยถามว่าเฮ้ยเราเป็นเพื่อนกัน้เมื่อไรผู้หญิงคนนั้นก็บอกก็เมื่อกี้นี่ไงโ oh, อ้อึ้งเลยนะคุยกันไปซักพักปรากฏว่าพอรู้ว่าผู้หญิงคนนี้ไม่มีเงินจริงๆอนี่ยปรากฏว่าคนดังคนนี้นี่พาผู้หญิงไทยเนี่ย เขาไในร้านซูเปอร์มาร์เก็ตซื้อของให้เลยแล้วแถมให้อีก50ดอลลาร์แล้วก็พาซื้อแล้วก็ถือถุงหิ้วม า, าถึงหน้าหมหาวิทยาลัยผู้หญิงคนนี้ก็เขา้ขาเข้าท่านะ่แกก็เอาเงิน50ดอลลาร์นี่แนละไปซื้อพวกตักไคร้มะกูดแรต่างไปทํามาซื้อไปทํามาก็ซื้อเพื่อที่จะไปทําต้มยำกุ้งให้ครอบครัวคนดํำคนนี้ในวันรุ่งขึ้นก็เลยเป็นเพื่อนกัน เปเพื่อนกับแก บ, บอกว่าเนี่ยเมื่อไรที่แกไปบอสตันนะก็จะไปเยี่ยมคนนี้นะเนี่ยคือใช้ความเมตตาเอาชนะใช้ความปรารถนาดีเอาชนะศัตรูนะมันประทับใจพวกไงคนดําประทับใจเพราะว่าโหบอกว่าเป็นเพื่อนกันขนาดถูกี้แล้วบเป็นเพื่อนกันเนี่ต่อมาพูดมานี่ยังที่จริงแล้วเนี่ยยังเวลาเราเหลือน้อยนะจะได้ทำคราวนี้เนี่ยสิ่งที่อยากจะเน้นอันนึงคือว่า ในทางพษษุทธศาสนาจะได้ทำเนี่ยเราเราเราเรามองเร า, เร า, เ, ราเราไม่ได้แยกระหว่างปร ะ, ประโยชน์ตนกับประโยชน์ท่าน ประโยชน์ตนกับประโยชน์ท่านไม่แยกจากกันเรากับเขาเนี่ยไม่ได้แยกจากกันนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามนุษย์เรากับสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเชื่อมโยงสัมพันธ์กันมากในทางพุทธศาสนาเนี่ยสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีผลต่อตัวเราเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะมีความสุขความสวัสดีก็ต้องคิดถึงสิ่งแวดล้อมและทําให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นด้วยภาษาภาคเรียกประโยชน์ตนประโยชน์ชนท่านไม่ได้แยกจากกัน เมื่อเราให้ความสุขแก mm ่ผู้อื่นเราก็คอยจะรับความสุขมาด้วยเรากับเขาเรากับเขาไม่ได้แยกจากกันเมื่อเราให้ความสุขกับผู้อื่นเราก็คอยจะรับความสุขด้วยเมื่อเราช่วยเขาเราก็คอยจะรับประโยชน์จากอันนั้นด้วยพระเจ้าบอกว่าเนี่ย รักษาตนก็เท่ากับรักษาผู้อื่นรักษาผู้อื่นก็เท่ากับรักษาตนเพราะว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยและผู้อื่นเนี่ยมีผลต่อเราน ม, มันไม่ได้แยกจากกันคนเราเนี่ยจะอยู่ได้มันไม่ได้เกิดจากอยู่ได้คนเดียวมันต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมด้วยแม้กระ <Ç> ทั่งคนเราจะเป็นคนดี <Tr> ห, ร <orient> หรือไม่เนี่ยมันก็ต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมด้วยว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีหรือเปล่าพระตจ่าเนี่ยเวลาจะแนะให้คนไปปฏิบัติธรรมเนี่ย ไปทำสมาธิก็จะแนะให้ไปสถานที่ที่มีสับปะยะสับปะยะคือสบายเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีเพราะสิ่งแวดล้อมนี่มีผลต่อคนมากถ้าเราไปอยู่สิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีหรือไม้เราไม่ไปเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อ ม, มให้มันดีแล้วเนี่ยเราก็อาจจะคอยได้รับผลกระทบไปด้วยคนเราจะดีหรือไม่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับสายสิ่งแวดล้อมด้วยใน ในในพระไตรปิฎกเนี่ยมีมีเรื่องหนึ่งน่ยคือมีมีเมืองมเมืองหนึ่งซึ่งซึ่งมีอาจยากร์มากเลยอาจยากรมีเยอะพระพระราชาเนี่ยก็คิดจะปราบปรามพวกอาจยากล์เหล่านั้นจับมาฆ่าจะมาทรมานตักหัวแต่มีพราหมณ์ปูโรหิตคนเขาบอกว่าทําอย่างนี้ไม่ได้ผลหรอกนะเราจะทายัางไงอ่ะก็บอกว่าก็ใ ห, ให้ให้พระราชาเนี่ยนะเอา แบ่งสรรเอามเมล็ดพันธุ์เนี่ยแจกให้กับชาวนาชาวไร่ที่แคร์แขันแข็งให้ทั่วถึงจัดสรรเงินทุนให้แก่พ่อค้าแม่ค้าที่แครนแขันแข็งให้ทั่วถึงจัดสรรให้เบี้ยวหวัดเงินเดือนแก่ข้าราชการที่แคร์ขันแข็งให้ทั่วถึงแล้วอาจจะ ก, กรรมมันจะหมดไปเขาบอกว่าเป็นจริงตามนั้นในพระเตยบุก็เราวันเนี่ยไม่ต้องปิดประตูบ้านเลยเด็กเนี่ยฟอนอยู่บนอกของแม่ หรืประเด็นเนี่ยมันน่าสนใจว่าเขาไม่ได้สอนให้เทศนะไม่ได้ไม่ได้แน่ให้เทศนาสั่งสอนชาวบ้านเองแต่ว่าจัดสรรสิ่งวลรอบให้ดีคือจัดสรรเศรษฐกิจการเมืองให้มันดีเมื่อเศรษฐกิจการเมืองมันดีแล้วเนี่ยประชาชนก็จะปล่อยมีศีลธรรมไปด้วยพฤติกรรมหรือศีลธรรมของคนในสังคมเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับทัศน์เชื่ภาษาสมัยใหม่คือการเมืองเศรษฐกรริจการเมืองด้วยนะ ก็คือสิ่งแวด ล, ล้อมมีผลต่อสังคมมีสิ่งแวด ล, ล้อมมีผลต่อต่อบุคคลมีผลต่อพฤติกรรมมีผลต่อจิตใจของคนนะพูดอย่างนี้อาจจะดูไกลตัวนะแต่มันมีตัวอย่างหนึ่งซึ่งเป็นการทดลองึที่มีชื่อเสียงมากเป็นการทดลองของนักวิจัยนักจิตวิทยาคนชื่อซิมบาโดโอดซิมบาโดโอดในแวดวงนักจิตวิทยาทางด้านกับพฤติกรรม เ, เขาอาจจะอาจจะรู้จักว่าเป็น การวิจัยที่มีชื่อเป็นการทดลองที่มีชื่อคือแเขาต้องการทดลองผลของคุกที่มีต่อจิตใจขคนก็เลยสร้างคุกเทียมขึ้นมาที่หมาหาวิทยาลัยสแตสนฟอร์ดมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเป็นอาไรที่มีชื่อมากเขาทําคุกเทียมขึ้นให้เหมือนจริงเลยแล้วก็หาอาสาสมัครอาสาสมัครมีสองฝ่ายก็คือ1ผู้คุมสองนักโทษอาสาสมัครส่วนใหญ่ก็คือนักศึกษา นักสามารญอะไรแซนฟอร์นี้เราก็รู้ใช่ไหมฮะเป็นเป็นนักสาซึ่งเป็นคนมีฐานะคนจนนี่ก็มีโอกาสได้เรียนน้อยก็อาสาสมัครเนี่ยประมาณ25คนก็คือว่านักโทษส5้าคนผู้คุม10บคนแล้วก็เริ่มต้นการทดลองแบบเหมือนจริงเลยคือว่าในขณะที่คนที่อาสาสมัครเป็นนั ก, นกโทษเนี่ยนอนหลับอยู่ที่บ้าน บ้านของตัวนะผู้คุมนี่ก็มามาเอาตัวไปเลยจากเตียงเลยนะเอาตัวจากเตียงแล้วก็ไปทำไปไปทำประวัติทำลายแล้วก็ทำลายทาลายนิ้วมือเหมือนกับกระบวนการของของตำรวจแล้วก็ระบบยุติธรรมแล้วก็ไปไว้ในคุกการทดลองนี้มีกำหนด14วันแต่ปรากว่าทำได้6วันต้องเลิกต้องเลิกเพราะอะไรฮะเพราะว่า พุกจะแตกเนะพียงแค่สองวันแรกนี้ปรากฏว่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้คุมกับนักโทษนี่แย่มากทีแรกนักโทษก็วอยวายก็โดยผู้คุมกำหลานะผู้คุมก็จับไปขังเดียวบ้างลงโทษแบบพิเลนพิเลนนะถอดเสื้อ จังเกงธรรมนาจารย์หรือค่มขูด้วยการเอาเอาเอ า, เอากระบองเนี่ยตีตามตีตามเาสี่ลูกตรงมีการตวาดแค่วันที่2วันที่3ปกว่ามีนักมีผู้คุมมีนักโทษหนึ่งหรือสองคนขอลาออกขอเลิกทนไม่ไหวและพอวันที่6เนี่ยนักโทษจำนวนมากีหมอยเเงาเศร้าซึมขณะที่ผู้คุมเนี่ยก็กลางมากคือมันจะเบรกดาวะ ซิมบดโดก็บอกเลิกเลยเพราะไม่ไหวคำถามก็คือว่านักศึกษ า, า, าสมัครเหล่านี้เนี่ยก็เป็นคนธรรมดาเป็นคนมีการศึกษาเป็นคนที่มาจากครอบครัวที่มีฐ า, านะดีมาเรสเตนอนนะไม่ใช่เป็นพวกไม่ใช่เป็นพวกเก็บกฎและบางคนเนี่ยก็เป็นผู้ที่ต่อต้านสงครามเวียดนามเป็นผู้ที่นิยมสันติภาพเรืยกเป็นพิปิคือพวก Pacific. Pacific. ที่ไม่ชอบการรุนแรง แต่พอให้พวกไอ้พนี้มาอยู่ไปเป็นผู้คุมเนี่ยมันกลับแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงจนกระทั่งเพือพ่อนเพื่อที่เป็นนักโทษ ก, ก็ทนไม่ไหวการทดลองนี้แสดงว่าอะไรมันแสดงแต่หลายอย่างนะแต่สิ่งที่มันแสดงคือว่าไอ้สิ่งรอบล้อมเนี่ยมันมีที่ผลต่อคนมากเลยนะอันนี้คือเหตุผลว่าทำไมผู้หญิงดีๆเรียบร้อยพอไปเป็น พอ ไ, ปพอไปเป็นทหารในอิรักคุมนักโทษที่ค่ายที่ค่ายอบูเกรบคุณรู้จักไหมฮะอบูเกรบที่มันมีข่าวว่าทหารอเมริกันไปไปไ ป, ไปลังแกไปทรมานนักโทษในอิรักเนี่ยผู้หญิงคนหนึ่งชื่ออิงริชนะเป็นคนในหมู่บ้านเนี่ยคนที่อเมริกาบอกเป็นคนเรียบร้อยดีแต่ว่าไปทรมานนักโทษในอิรักอย่างสัปะดนแล้วก็อย่างรุนแรงอย่างที่คนเขาไม่ถึง คนก็เลยนึกถึงถึงกา ร, การทดลองสิ่ประด๋วเนี่ยโอ้ยสิ่งวัลล้อมมีผลต่อคนนะแล้วเนี่ยมนุษย์เรากับสิ่งวัลล้อนมนี่สัมพันธ์กันมากถ้าเราไม่ต้องการให้เราเนี่ยถ้าเราต้องการให้เราเนี่ยเป็นคนดีเป็นคนสงบเราก็ต้องไปช่วยรักษาสิ่งวอลล้อมให้มันดีด้วยนะพระศาสนาเนี่ยไม่ได้บอกว่าให้เราดีคนเดียวนะแต่ว่าจะต้องเข้าไปปรับเปลี่ยนสิ่งวัลล้อมให้มันดีขึ้นพระเจา้าถึงบอกนะว่าการการักษาตนเท่กากับรักษาผู้อื่น รักษาผู้อื่นเท่ากับรักษาตนคือถ้าเราช่วยผู้อื่นช่วยสิ่งแวดล้อมก็เท่ากับช่วยเราช่วยตัวเราเองแต่ทีนี้ไป็นข้อจพุทธศาสนานเนี่ยหลีกหลีกเลนออกจากสังคมนะอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้คือจะได้ทําอีกประการของพุทธศาสนานก็คือการตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างเรากับผู้อื่นแล้วก็ต้องช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกันนะ นอกจากการทำจิตทำใจให้ดีแล้วเราก็ต้องไปช่วยทำให้สังคมนี่มันดีขึ้นด้วยนะอันนี้คือคือคือคือประเด็นคือประเด็นใหญ่ๆนะในเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมแบบแบบพุทธก็พูดมานานนะก็คิดว่าไม่ทราบว่ามีข้อสงสัยหรือเปล่านะต้องขอใคอยใช้เวลานานนะที่จริงมีอีกหลายประเด็นแต่ว่าเราหยุดเท่านี้ก่อนดีกว่า ไม่ทราบมีอะไรสงสัยไหมฮะ